อเป็นี่ยฟังแล้วพอจะสว่างไหมหรือว่าวันมันสว่างสวยแต่ใจยังไม่สว่างไม่ได้ <c oughs> พูดกันแล้วสว่างให้สว่างทั้งสองทางข้า ง, งนอกข้างในคําสุดท้ายจําได้ไหมว่าท่านว่างไงเอาอีกแล้วเลี้อีกแล้วคำสุดท้ายไม่ใช่จําแต่เทินอย่างเดียวไม่ได้ <c oughs> ท้ายจริงๆ ให้มีดวงตาเห็นอะไรเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นอะไรไม่เห็นธรรมคือเห็นการกระทําของเราเองอะไเห็นธรรมเห็นว่าเราทําเป็นยังไงดักหรือเบาจับเวลาเอื้อมมือไปจับลูกบิดประตูนี่เห็นไหมนี่เห็นธรรมคือเห็นอย่างนี้นะเอไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเวลานั่งก็นานๆเห็นตัวเองปวดเมื่อยเห็นไหมเห็น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 อากุศลน่ะแก้ไขให้มันเป็นกุศลใะนี่ก็เรียกเห็นธรรมบางคนเห็นธรรมแล้วก็ยังทำเหมือนเดิมอีเรียกว่าเห็นแต่ไม่เห็นนั่นนหะไม่เห็นธรรมเห็นธรรมเห็นการกระทําของตัวเองเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นสบายเห็นเสมอไม่สบายเห็นอาการโยกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอะไเห็นหมดเลยเห็นธรรมอย่างนี้แล้วมันเลยใจมันไปทางอื่นไหม ไม่อยากไปอ่ะพอไปทางอื่นมันมันไม่เห็นนะจ๊ะแต่กลับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองมันเห็นเรียกว่าเห็นธรรมเห็นถูกเห็นผิดเห็นอะไรต่างๆอ๋อพูดอย่างนี้มันผิดนี่ฮะไม่ใช่ทำละเปลี่ยนคําพูดใหม่นะและมีคําพูดหนึ่งที่ท่านพูดมาพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องลึกลับเขาว่าลึกลับกับลึกซึ้งนี่ต่างกันยังไงต่างกันยังไง สมมติว่าเราไปที่ไปที่แม่น้ําโอ้น้ํานี่ลึกใช่ไหมเออลึกลงไปอย่างได้แต่จะลึกลับในมันบอกว่าโอ้มันมีแม่น้ําอยู่แห่งหนึ่งนะอยู่ในเขาพูดถึงเมืองลาวนะโยมที่คอนเทนติกา ด, กกดบอกว่าที่ภูเขาควายเนี่ยมันมีเข้าไปแล้วมันมีอีมิติหนึ่งนึงหลวงพ่อเข้าไปแล้วถ้าหากว่าใคร มีบุญกุศลจะได้เห็นประตูเปิดเข้าไปสู่หลุมขุ่เงินคุู้ครองทั่วถ้าใครไม่มีบุญก็จะไม่เห็นเหมนอันนี้เขาเรียกลึกลับคือเห็นได้บางคนไม่เห็นได้บางคนมันมีข้อแม้นะแต่ถ้าหากว่าเป็นลึกซึ้งให้เห็นได้ทุกคนคนที่อย่างแต่ลึกลับนี่มีข้อแม้ว่าต้องมีอันนั้นอันนี้ถึงจะเห็นไม่มีอันนั้นถึงไม่เห็นอันนี้เขาเรียกลึกลับพราหมณ์ชอบใช้อันนี้หามชอบใช้เรื่องพุธทธศาสนาเป็นเรื่องลึกซึ้งแต่พราหมณ์เป็นลักษณะลึกลับ แล้วเราก็ใช้้เรื่องลึกลับนี่มาหากินกันพวกหมอดูหมอเดาพวกโห่นี่ยไปลึกลับทั้งนั้นน่ะแต่พวกวิทยาศาสตร์นี่เป็นเรื่องลึกซึ้งคือมันเห็นเห็นกันชัดๆนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่ไม่ใช่สยศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่เป็นพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์อยู่เหนือศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าท่านจบมาถึงสิบแปศาสตร์ท่านยังไม่พอใจเพราะท่านมาเข้าถึงพุทธศาสตร์แล้วท่านก็จบแค่นั้น คือศาสตร์แห่งการรู้ตื่นเบิกบานเรียกว่าศาสตร์แห่งความลึกซึ้งนะเพราะนั่นชเช้านี่ก็ได้เวลารับอาหารเราเดินออกไปผ่อนคลายสักพักหนึงก็เดินอ้อมเขาตรงนู้นเนาะเดี๋ยวนี้กลับพร้หพร้อมกัน <c oughs> <c oughs>